เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ร่วมปู่วติยานกำลังนำเสนอกรรมสักตาสมาทิทฐิสืบต่อกันมาโดยลำดับก็โอกาสต่อไปนั้นจะนำเสนอข้อความโดยสรุปในจุลกรรมวิพังกสูตรที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ ว่าทาไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันในข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงอาศัยจุตูปปาตยานคือทรงรู้การจุติการอุปัติของสัตว์ทั้งหลายที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดต่างๆบางทีก็ เ, เรียกว่ากรรมวิปากยานพระปริจายาณอย่างรู้กรรมแล้วก็ผลของกรรมจําแนกรายละเอียดที่ทําให้พระพเจ้ารู้จักมนุษย์ทะลุปลุกโลงเนี่ยก็อาศัยการ เกิดขึ้นแห่งพยานคนนี้ก็พูดง่ายว่าเป็นผลตรงมาจากการสัตย์รุ้มีคราวหนึ่งมีสุภามาณพเป็นบุตรของโตเถร ย, ยพรามข้ามผ้าพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่ประเชตตะวัน คือท่านคล่องใจสงสัยในประเด็นการแตกต่างโดยกําเนิดของคนนะฮะความแตกต่างโดยกําเนิดของคนแล้วก็ ต, กติดตามวาเส้นทางชีวิตเนี่ยมันทําไมมันต่างกันท่านก็ตั้งประเด็นประเด็นอยู่หลายประเด็นที่เราคุ้นๆน่ะเราเห็นว่าทําไมมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยว่ามีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยผิวพรรณซามผิวพรรณงามสั ก, ส ก, กระน้านสักรามากโภคะน้อยโภคะมากเกิดในสกุลต่ําเกิดในสกุลสูง โง่ฉลาดอันนี้อะไรเป็นทาให้เกิดแตกต่างกันเห็นไหมนี่คือการแตกต่างกันโดยกาเนิดเราจะพบในยะพระพุทธภาสิตเป็นอันมากที่ทรงแสดงรวมรวมไว้นะฮะว่ากมังสเตวิพัจจติยดีดังหีนัปปณีตตายะกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวสามปณีแตกต่างกันออกไป หรือกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกมันจะเป็นไปตามกรรมของมันมนุษย์แกก็กลับทุนถามพระเจ้ารับสั่งโดยสรุปให้ฟังซะก่อนว่าดูก่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทุพย์ปัญหาใสกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีตแตกต่างกัน ้างบางครั้งเราจะได้ยินข้อนี้จะจะจะเป็นกฎที่ทรงสอนในแนวของอภินหาปัจจเวกขณะคือคนทำมาคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆและทำความเข้าใจกับกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเองและของคนอื่นว่ามันไปยึดโยงกับกรรมคือการกระทำของเราเองบพางบางทีเนี่ยก็บอกว่า ใครทํากรรมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องไปผู้รับผลกับนั้นแต่ในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านท่านท่านไปถามในลักษณะ น, นั้นเพราะข้อสุดท้ายก็ส่งสรุปว่ากรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและปะัญญิตตก่างกันเทนะ่อายุสัน้นอายุยืนเนี่ยอายุสั้นก็แสดงว่าถูกจาแนกให้เลวอยยืนก็ถูกจําแนกให้ปัญญีตหรือผิวพรรณดีผิวพรรณไม่ดีเนี่ยผิวพรร์ไม่ดีก็ถูกว่าจําแนกให้เลวผิวพรรณดีก็จําแนกให้ประณิตก็ว่ากันไปโดยลาดับ ที่นี่ที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงในพระบาลีเองที่จริงทรงแสดงสองช่วงแต่ว่าที่เราอมาพูดเนี่ยเราอมาพูดช่วงเดียวก็ทำนองคล้ายๆกับกลัวคนจะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ น, นั่นนะรเลยก็ออกมาพูดเรื่องเดียวแต่จริงในในพระบาลีเนี่ยแสดงไว้ทั้งสองช่วงเพราะอย่างที่เคยบอกท่านผู้ฟังทั้งหลายวัยนะฮะว่าถ้าเราพูดถึงนรกสวรรค์นเนี่ย ที่พระบางรูปไปพูดสวรรค์นในอกนรกในใจอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนอย่างนี้ถ้ามีในเชิงอายตนะสัมผัสเป็นอุปมาน่มีแต่ว่าเวลาทรงแสดงนั้นจะพูดนรกสวรรค์นในชาตหน้าตลอดแะพูดหลังตายตลอดเพรา ะ, ะนั้นข้อความในพระบาลีนี่จะเหมือนกัน ถ้าพูดถึงความดีข้อความจะซ้ำนะฮะว่ากายยัตสสะเพดาปรามนาสุกติงสั ก, กังโลกังอุปปัจชติเบิกหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์จะใช้กำว่เข้าถึงแต่ถ้าทําชั่วเนี่ยจะใช้กรรมกายยัตสสะเพดาปรามนาทุกติงมินิปาตังนี้ระยังอุปปัจจติ เบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมบังเกิดในทุกขติวินิบาตนารกอสุรกายแล้วจะพูดอย่างเงี้ยบางทีก็เข้าถึงเป็นสหายกับเทพดาทั้งหลายอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าทำดีทีนี้บางชีเนี่ยมันไม่แรงจนถึงก็ไปตกน ร, รกหรือขึ้นสวรรค์มันก็จะพูดระดับมนุษย์วันเมื่อท่านสุภาพมานุ์ขอกราบทูลนารถนาให้ทรงแสดงโดยพิสดารเนี่ย ก็ส่งสรุปนะฮะสรุปใจความก็ไม่ต้องเอาข้อความเต็มประชุดว่าเ อ, อใครก็ตามเป็นผู้ที่ทําสัตว์ให้ตายเนี่ยเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดมกมุ่นในการประหัตประหารไม่มีความเป็นดูในสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตตายแล้วเป็นไงก็จะบอกก่อนนะรุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันมันมันไม่ใช่เกิดมาอายุสั้นอย่างเดียวหรอกมันแรงเกินเหตุไป เพราะเธอต้องกรรมที่ทําให้อายุสั้นเนี่ยเป็นกรรมเศษพิบาติกรรมแต่ น, นั้นเองมันไม่ใช่ตัวกรรมหลักตัวกรรมหลักจะส่งแสดงว่าเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ทีนี้หากตายไปคือหมายความไม่แรงไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก แต่ถ้าเขาเป็นมนุษย์ไปลว่าจะเกิดในที่ใดก็ตามจะเป็นคนมีอายุสั้นแล้วก็กรับสั่งน้นนะว่านี้คือปฏิปทาเพื่อเป็นเหตุให้มีอายุสั้นคือคนที่ทําสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นคนเหยี่ยมโหดมือมือเปื้อนเลือดต่างๆยันติกล่าวแล้วผลโทษในการทําปาณาติบาตเนี่ยคือทําให้อายุสั้นแต่ว่าถ้าแรงเนี่ยมันต้องตกนรกไปก่อน แล้วผ่านการเป็นเปรตแล้วก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์อายุสั้นอายุสั้นทีหลังนะคนบางคนก็ตายในขันตายแม่ยังไม่ทันรู้ตายแล้วนั้นแสดงว่าผลของอกุศลกรรมเนี่ยมันแปงก็มามวยให้ทีนี้ในคนพวกนี้นะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่ว่า แม้จะทําอย่างนั้นคือทำตรงกันข้ามทีนี้การทำตรงกันข้ามก็อยากให้ต้องฝั่งได้ได้ลองสังเกตพระบาลีพุทธวจนะที่รับสั่งเก่ยกับปานาธิบาตคือปาณาธิบาตที่ว่าปาณาธิปาตาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิามีสิขาปัทังสมาธิามีในเราใส่ขึ้นมาเองนนะครับพรเจ้าจะทรงแสดงแค่ปานาธิปาตาปฏิบัโตโหติปาณาธิปาตาเวรมณีนะครับจะแสดงอย่างนั้นแสดงแนวสีเนี่ย แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นการแสดงแนวธรรมะเพราะแนวธรรมะแล้วแสดงให้ถึงระบบกล้องการปรับสภาพชีวิตของตัวเองนี่ให้มีความยอกเย็นนะสงบประณีตขึ้นไปโดยลําดับก็ทรงแสดงว่าใครก็ตามนะฮะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามลดเว้นจากปานาธิบาตเว้นขาดจากปานาธิบาต ทีเรสมุทรเฉทวิรัติเน่ยคือเว้นขาดไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตทีนี้วางอาทยาวางศัตรูได้มีความละอายคือฮิริโอตาปามีความละอายต่อบาปแล้วก็มีความเอ็นดูมีความมนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และผู้ทั้งหลายหมายความมาทั้งมนุษย์และอมนุษย์อะสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนนั้นถ้าเรามองในในพระพินัยเราจะเห็นได้ชัดนะคร ว่าภิกษุฆ่ามนุษย์ตายในขาดจากพระเขเรียกว่าประราชิกเช่นพระไปปราบผีอย่างนี้จับผีสายมออะไรแต่ไรนี่ไม่ได้นะฮะฆ่าผีเนี่ยปราบบาปทุกข์กดไม่ใหญ่ปราบบาปทุนนัใจฆ่าสติรชานปราบประบติไปจิตตีแล้วก็ไปอะไรล่ะทำให้บาดเจ็บก็ปราบัติทุกข์ และแสดงให้เห็นว่าปริมาณของกิเลสมันไปเน้นความเข้มข้นของกรรมและถ้ากิเลสมันลดลงกรรมมันก็เบาลงการกระทาของคนก็เบาลงทีนี้คนคนที่ทำเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันอยู่ทั้งระดับศีลทั้งระดับธรรมเช่นอะไรร ะ, ระดับธรรมไ ม, ม่มีความละอายนะมีความละอายมีความเอนดูอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายไอ้ น, นี่คือธรรมะมันไม่มันไม่ใช่ศีลละ ก็แสดงว่าคนที่อยู่ในศีลธรรมพูดง่ายๆว่าคนที่อยู่ในศีลธรรมเนี่ย mm hmm. เมื่อตายไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะใช้คําอย่างที่เคยยกไว้ในตอนก่อนนะว่าเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นนั้นเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปเนี่ยบุญไม่แรงพอที่จะบังเกิดในสวรรค์เขาก็เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในหมู่มนุษย์นี่แหละ แต่ว่าอายุก็จะยืนผลอายุยืนก็เกิดขึ้นมาจากการไม่คาดสัตว์แต่ว่านําเสนอส่วนใหญ่ที่เรานําเสนอเนี่ยเราจะพูดแค่นี้นะแค่อายุสัน้นอายุยืนนะครเพราะคาดสารเว์าทีจ่จริงจริงเนี่ยมันมันผลระดับเบาไม่จะผลระดับหนักผลระดับหนักเนี่ยมันต้องตกนรกก่อนผลระดับเบาเท่า น, นั้นเองนะฮะที่จริงมันบางทีก็ต้องเป็นเปรดไปก่อนถึยทำไป ทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือพวกที่มีโรคน้อยมีโรคมากอนะมีโรคน้อยมีโรคมากก็เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนนะปะุถุสลายสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนด้วยขวามือบ้างก้อนดินบ้างทุบบ้างโดยท่อนไม้บ้างสัตว์าบ้างนะอะไรแต่ไรเนี่ยมันไม่ถึงก็ตายหรอกปทรมานสัตว์ทรกา ร, รมสัตว์ประจนสัตว์ทุบตีสัตว์เขี่ยตีสัต ว, ตตว์อะไรแต่อะไรเนี่ย มันแสดงเรื่องความโหมดร้ายนะฮะคือมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยก็มันเกลียดเกินขวเนะี่ยคือลักษณะกิเลสถ้าเราลองสังเกตว่าอกิเลสเนี่ยเองอ่ะคือความคิดที่ผลเด็ดกาเนะี่ยแต่ประเด็ดการในบางทีไม่แน่นะฮะความหมายของประเด็ดการก็คือใช้กฎหมายใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเด็ดขาด น, นั้นอาจจะยุติธรรมก็ได้ไม่ยุติธรรมก็ได้นะแต่ทีนี้มันกระแสะสร้างกระแสสร้างกันเกินไป ถ้ามาเห็นประเด็จการแล้วเราจะเห็นว่าพวกอธิบายพวกเนี้ยบางทีกระทบสถาบันประมาทกษัตริย์สมัยสมบูรณาสิทธิราชนะก็มันมันมันไม่ใช่ใช้โทษศักด์เสมอไปหรือใช้ธรรมะก็ได้แต่ว่ากฎหมายเป็นกฎหมายอ่ะยุติธรรมเป็นยุติธรรมแต่นั้นเองเพราะนั่นคนที่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยเบียดเบียนสัตว์ด้วยอะไรก็ตามคือสรุปประสัตรไม่ถึงก็ตายบางทีเนี่ยมันอาจจะแรงนะฮะ อาจจะแรงก็ตายไปก็ตกนรกเหมือนกันทีนี้ถ้าบาปรกรรมตรงนั้นไม่ถึงก็ตกนรกตายมา เ, าเกิดมาเป็นมนุษย์มีโรคภัยเยอะเลยนะฮะบางคนก็โรคสารพัดโรคเลยเป็นรังของโรคร่างกายไม่ค่อยปกติเจ็บนั่นปวดนี้ปวดปวดตรงนั้นตรงนี้อะไรแต่ไรอันนี้เราก็เห็นว่าบางทีในเด็กมันติดโรคมาโดยกำเนิดเลย แสดงว่าไม่ได้รับเชื้อมาจากข้างนอกหรอกแต่ว่าเป็นเชื้อก็ได้กำมาสรูปคือกรรมเนี่ยมันสร้างรูปให้ในทุรพลคือไม่มีกําลังไม่รุกไีดแค่จะบเบียดเบียนทีนี้คนที่ส่งกันข้ามนะฮะไม่เบียดเบียนขาดสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เบียดเบียน ด, ด้วยอาวุธ้วยสัตร์ลายทรมานทรกรรมสัตว์ประจนสัตว์อะไรต่ออะไรเนี่ยมีเขาเล่าเขาเล่าคนหนึ่งเนี่ยไปชนไก่ ส่วนไก่แต่ไก่ชนะแล้วแก่แกก็เลี้ยงดีนะฮะไก่ชนะนี่ก็เลี้ยง ด, ยะะนนยงดยีโอ่อใจมากพอไก่แพ้ก็เชื้อดแกงเลยก็เล่นอย่างเงี้ยเรื่อยพอก่อนจะตายเนี่ยป่วยหนักป่วยหนักมันกระสับกระสายมันเล่าร้อนไปหมดมันเกิดเป็นกรรมารมกรรมนิมิตอารมณ์นะกรรม น, ะะนิมิตอารมก็เห็นเป็นไก่ชนกัน ก็จำได้นะก้องแกนะแกก็เชียงแกนะนั่งเอามือชนกันนอนเอามือชนกันลูกดึงนี่ดึงไม่อยู่นะลูกดึงมือแม่ชนกันดึงไม่อยู่ออกไปบ้านไปข้างเตียงแปเดียวก็ดิ้นขาดชนกันจนเลือดโชกหมดืดเลยแล้วก็ตายไปได้วยความทุกข์ทรมานอย่างเห็นไก่ชนอย่างนะี้ทีนี้เมื่อคนมันไม่ทําไม่ทํากรรมงั้นจิตใจก็กระพริบแพ่วตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ทีนี้ถ้าไม่เกิด คือการไม่เบียดเบียนแต่ว่าไม่มีมากพอไม่มีผลบุญมากพอก็จะบังเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าจะไม่มีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะอย่างพระผากรุละเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่แปลกที่สุดเลยอายุร้อยหกสิบปีไม่เคยป่วยเลยเป็นคนที่ไม่มีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียน เพราะว่าในชาติพบก่อนเนี่ยท่านเคยถวายยาถวายยาแก่พระอาหารหันต์ก็บุญเหล่านั้นมันก็มาหล่อเลี้ยงท่านนะแต่ตรงนี้พูดระดับระดับงดเว้นนะพูดระดับศีลไม่จะพูดระดับธรรมะไอ้นั้นเป็นระดับธรรมะไปแล้วพูดระดับศีลว่าไม่ไปเบียดเบียนสัตว์เพราะเบียดเบียนสัตว์เนี่ยศีลไม่ถึงก็ขาดนะฮะแต่ศีลทะลุศีลด่างศีลพลอยไป ทีนี้คนบางคนในโลกเนี่ยพูดถึงผิวพรุด์ดีผิวพธุณไม่ดีคนที่ผิวพัรร์ผิวพธุ์ไม่ดีนะฮะคือเป็นคนขี้โกรธแล้วโกรธนี่ตกนรกด้วยนะฮะอย่าลืมนะโกรธนี่ตกนรกได้ด้วยนะเพราะว่าตัวโกรธมันเป็นตัวนรกอยู่แล้วตัวโทสะนี่เป็นตัวนรกสร้างไปใน ใ, นใจอยู่แล้วก็ทงแสดงว่า มากไกปด้วยความเป็นคนมักโกรธมากไกปด้วยความแค้นเคือถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเครืองอพยาบาทมาตร้ายทําโกรธทําร้ายครึ่งเครียดให้ปรากฏใจเล้าร้อนใจไม่สงบตายไปแล้วบังเกิดในนรกทีนี้ถ้าไม่ถึงแรงไม่แรงจนถึงก็ตกนรกเกิดมาจะเป็นคนมีผิวพันธุ์ไม่สวยงามผิวพันธุ์หยาบกร้านกระด้างแข็งกระด้าง เป็นคุยเป็นอะไร ต, ราต่างต่าๆเนี่ยเรือว่าผิวพันธ์เขคนในต่างกันเนี่ยแหละว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนะผิวพันธ์จะต่างกันต่างกันเลยกาเนิดพี่กับน้องผิวพันธ์ตามกันต่างกันก น, นะถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะบาปเพราะบุญอย่างเงี้ยทีนี้อีกคนอีกพวกหนึ่งนั้นก็คือไม่มากไปด้วยความโกรธนะ ไม่มาไปด้วยความแค็งเคืองก็ว่าอะไรก็ไม่ขับใจไม่ขุดหงิดไม่ผูกโกรธไม่อะไรคา่พยาบาทคือไม่นะฮะเป็นการงดเว้นระดับอุศสนกำหบดในการงดเว้นคือไม่พูดถึงระดับจเจริญเมตตาอะไรนะไม่พูดถึงระดับนั้นก็คนเหล่านี้จะเกิดมาจะผิวพรรณสวยงามทีนี้เราก็มาลองดูตรงตรงนี้ซะก่อนว่าดูชาติปัจจุบันดูจีว่ามันเป็นยังไงล่ะคนฆ่าสัตว์ อายุสั้นไม่ฆ่าสัตว์อายุยืนเบียดเบียนสัตว์โรคมากไปเบียดเบียนสัตว์โรคน้อยขี้โกรธมากผิวพรรณไม่ดีไม่ขี้โกรธผิวพรรณดีเราเอาจเฉพาะปัจจุบันเอาปัจจุบันขณะแล้วจะเห็นนะฮะว่าคนที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยอายุไม่ยืน่ะทีนี้คนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไอปทุศร้ายสัตว์เนี่ยอายุก็จะยืน แต่นี่คือคือกระบวนการของกรรมเราจะลืมมาราเมรีอุปฆาตกรรมอยู่ด้วยนะฮะมันอาจจะมีกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งชาติปัจจุบันแกไม่ฆ่าสัตว์จริงในชาติก่อนแกอาจะฆ่าไว้อนะ่มันก็ตามมาให้ผลก็ได้แต่ว่าการที่แก่อายุสั้นนั้นไม่ใช่เพราะการไม่ฆ่าสัตว์แต่เพราะการฆ่าสัตว์ในชาติก่อน เพราะในกระบวนการการให้ผลของกรรมเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าจริงๆเนี่ยในขณะชาติปัจจุบันในขณะเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรามีกรรมอยู่สามอย่างกรรมในชาติก่อนก่อนกรรมในชาติก่อ น, กร ร, น, ก, อนกรรมในชาติปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้อะไรหนักเบากันอะไรจะให้ผลก่อนบนหลังก็ไม่รู้มันก็ไปเชื่อมโยงถึงว่าคนที่เราตายไปแล้วเนี่ยซึ่งจะให้รายละเอียดคงอาจสักักวันท้องวันนะในแถว ปูหมากำมือผังกระสตรเป็นการสลับซับซ้อนเป็นการสลับซับซ้อนของกรรมแล้วเราก็มามองเห็นได้เป็นขณะว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมคนหนึ่งไม่ฆ่าคนหนึ่งฆ่าสัตว์คนหนึ่งไม่ฆ่าสาัตว์เนี่ยอายุจะต่างกันเอาเฉพาะปัจจุบันกรรมนะฮะทีนี้คนที่เบียดเบียนสัตว์มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านล่าฟังเออท่าน เป็นผู้ใหญ่เป็นระดับสมเด็จพระราชาะนะท่านเล่าใฟังเองท่านท้องไส้เนี่ยท่านไม่ดีตลอดเลยเป็นคนชอบเผ็ดแต่พอเขาฉันเผ็ดแล้วก็ปวดหมดเลยทั้งท้องเนลยท่านบอกว่าตอนเล็กๆ เ, เนี่ยท่านเป็นเด็กเนี่ยท่านชอบอบูรีใบจากเนี่ยนะม้วนก็แล้วก็จุดแล้วก็ใส่ในปากคางคกให้คางโคกสูบบุรีแล้วคกก็หายใจนะ่ะหายใจก็เมาเป๋กันไปก็สนุกเขาอะก็เล่นกันอย่างงี้เล่นด้วยความขะนอง ก็นานประหมงควรต่อมาก็ท่านเกิดอาการท้องไส้เนี่ยไม่ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีมาเรื่อยนะฮะจนมาถึงจนเท่าจนแก่ไปนะฮะแล้วท่านก็เล่าให้ฟังอนนี้บาปกรรมของท่านที่ท่านเคยทำมาไปเบียดเบียนสัตว์ไปรังแกสัตว์มาเนี่ยทำให้โรคมันยุ่มยิม้มเบียดเบียนท่านสารพัดแล้วต่อมาเนี่ยก่อนตอนท่านเท่าลงมาในโรคก็เล่นแรง เนนี้ถ้าเรามองเรามองไปเชื่อมโยงได้เนี่ยเชื่อมโยงได้เราก็เห็นนะเราก็เห็นมีมีลุงตารูปหนึ่งท่านท่านเป็นเป็นเด็กแล้วท่านท่านไปขีดตาพระพุทธรูปขันแหนนะฮะพระพุทธรูปที่ก็าทากัะดินเนะี่ยที่เขาทาบรอนบรอนเงินบรอนทองเป็นอะไรสระดอกเคราะหอะไรก็เนี่ยแกเป็นเด็กวัดอนะ่ะเขาไปกองกองไว้แกก็ามาตั้างเรียงแถว เลียงแถวแค่แกแถวทหารพอองค์ไหนาวางไม่ตรงลและก็เคี้นข้างหลังแล้วก็จับขูดตาเลยจับเพียงแถวก็ทา ท, ทำหลายหลายสิบองค์หลายร้อยองค์เลยนะฮะทาอยู่ท่านบอกว่าตอนอายุประมาณสิบแปดมันยกไม้อะไม้มันไม่หนักขนาดนั้นนะนะแต่สะเอลนี่ลั่ น, นังกึบเลยนะเอลเครดมาตั้งแต่อายุสิบแปดและต่อมาก็ มันมีความรู้สึกอะว่าบาป ก, กรรมมันสนองก็เลยก็บวชรับใช้พระศาสนาบาดขยะอยู่ในลานวัดเนี่ยหนังสติ๊กมาจากไหนมาพุ่งขยิงหมดทั้งสองตาเลยตาบอดหมดทั้งสองข้างท่านก็ประชุมลูกศิษย์ตุ้งหากราวด้วฟังท่านบอกนี่อพิ่บาปกรรมอย่าไปโทษเด็กอย่าไปโทษอะไรแล้วผมทํากรรมอาไว้แล้วท่านก็เล่าให้ฟังตรงนี้ย ไอการขูดพระนี่ท่านโยงเองน ะ, ะท่านโยงเองท่านบอกว่าเนี่ยเพราะว่าขูดขูดตาพระพุทธรูปเนี่ยก็ทําให้ท่านดงตาบอดแล้วก็เขี้ยนข้างหลังพระพุทธรูปเนี่ยก็ทําให้ท่านปวดสะเอวคือสะเอ ว, เ, อวเครียดไปซึ่งแน่นอนว่ากรรมนี้เป็นอกุศลแน่แต่ว่าอันนั้นหรือไม่ใช่เนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงได้แต่ท่านเชื่อมโยงเองเพราะท่านเชื่อมโยงเองมันก็ กลายเป็นหลักการในการที่จะสมรวมระวังสำหรับคนอื่นในโอกาสต่อไปทีนี้คนมักโกรธเนี่ยถามว่าพิพันธ์ชอบมองจริงไหมเราไม่ต้องเอาชาติหน้าเราคนขี้โกรธกูหงิดอยู่ทุกวันเนี่ยแบกโลกเอาไว้มันก็ดูหน้าตาแล้วก็เครียดไม่อบอุ่นเข้าใกล้ก็ร้อน เห็นไมวมาผิวพรรณมันซ้ำมองให้เราเห็นแล้วในขนะที่โกรธเนี่ยความโกรธมันเป็นโทษของผิวพรรณชัดๆอยู่แล้วทีนี้คนที่ไม่โกรธคนอื่นเนี่ยเขาว่าอะไรก็เฉยยิ้มเฉยก็สบายนะหน้าตาแกก็ฟังใสเดือดล่มก็ดีสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีคนกระบวนการกำกับเนี่ยที่จริงเราดูได้เป็นขณะอะไรซ้าไปถ้าเราทําเองเราดูได้ที่จิตเราถ้าคนอื่นทําก็ดูที่การกับ การปรากฏตัวของเขาโดยเฉพาะในแง่ของอารมณ์ในแง่ของอารมณ์นะฮะในแง่ของสังคมในบางทีเขเอนิยายนิยายนิยายนิยายนิยนิยายนิายนนิยายนิยานิยายนิยายนยายนินิยามนอปืนิยายนยายนินิยายนิยายนิยายนิยายนิยายนิยายนิยานิยายนิเานียยนิยยนิายม่ได้นือว่ายนิยายนิยายนิยานิยานิยานิายนิยายนายนิยายยายนยนิยนิยายนิยนิายนิยายนาในยายนิยไมนได้ยนกยายนิยายน ท่านเกณฑ์กําหนดท่านึ่งการยกย่องชมเชยจากสังคมเนี่ยมันต้องมองตัวบินอยู่ชนเป็นเกณฑ์ไปจะเอาคนผ่านเป็นเกณฑ์หรือคนทั่วไปเป็นเกณฑ์เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตัวเองไม่มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วเอาในใหญ่ไม่ได้แต่ว่ากฎของกรรมเนี่ยเป็นกฎที่เราหลีกเลี่ยงได้ด้วยการไม่กระทําเราต้องการผลดีงามได้โดยการกระทําถ้าเราจะพูดถึงการลี้ผิตก็คือกรรมลี้ผิต เราเป็นเราเองเป็นคนริขิดชีวิตเราเองพระวิษานาจึงไม่ยอมรับการริขิตจากปัจจัยภายนอกเพราะมนุษย์เนี่สามารถีิคิดชีวิตตัว เ, เองได้ท้องฝังทังหลายแต่รลวงอโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นตรบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ อ, อ่งงามไปบุญในธรรมจึงมี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี